เรื่องรูปนามที่ท่านกล่าวถึงว่ารูปนามมี3มระดับใช่ไหมะระดับรูปนามระดับนามรูประดับปรมาภิธะหากว่าเราเข้าใจหลักการพธเทียนเนี่ยมันง่ายๆนะแต่ที่มันยากเพราะว่ามันสอนกันหลายสำนักอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็อดที่จะเปรีย บ, เ ท, ยบเทียบไม่ได้นั้นในวิธีการของธเทียนก็ โดยใช้หลักเรียว่าความรู้สึกโดยที่ลือปริยัตเอาทั้งหมดเลยนะว่าความรู้สึกทางกายก็ความรู้สึกทางใจท่านเองความรู้สึกทางกายเรียกว่าลูกความรู้สึกทางใจเรียกว่าน้ำแต่ในน้ำเนี่ยมันทั้งมีทั้งน้ำและลูกนะด้ยแล้วมีน้ำด้วยนะแต่ในส่วนลูกก็คือ รูปที่เป็นนามาลูกคือสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเช่นเวลาเราบริกรรมเราบริกรรมเรามีสัญญาสร้างสัญญาขึ้นมาเนี่ยเขาเร ahora, ียกว่าสร้างนามาลูกขึ้นมาเพราะนั้นวิธีการของพระเทียนไม่ต้องสร้างนามาลูกไม่สร้างสัญญาอะไรไม่มีพูดทอไม่มีหนอไม่มีนับไม่มีสร้างภาพอะไรขึ้นมาอันนั้นเป็นสัญญามันเป็นรูปอันหนึ่งนะอันนี้เขาเรียกว่ารูปประคัน แต่รูปประธาต์คือเรารู้สึกได้เย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงนี่ก็รูปประคันรูปประธาต์แต่รูปนี้ไอ้ตัวที่เราเป็นดื้นไปแท่งนี่เขาเรียกว่าธาตุนะไม่ใช่รูปนะแต่ตัวแสดงอาการของธาตุเรือรูปคือรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งรูปตึงรูปเจ็บรูปปวดอันนี้รูปแต่รูปอันนี้มันเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์แต่รูปธาต์เนี่ย มันก็เป็นตามกฎแต่ว่ามันมันนานมันก็จะเป็นไปตามอายุขยของมันแต่รูปประคันเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่อยๆนะขยับข้งนึงเปลี่ยนข้างหนึ่งขยับข้างหนึ่งเปลี่ยนนานๆมันก็รูปก็ปวดรูปหยากรูปกลางรูปละเอียดนะเพราะฉะนั้นคนไหนเห็นรูปหยาบเราก็ไปติดตามรูปหยาบบ่อยๆยมันก็จะเห็นตัวประสีเป็นเครื่องกับจัดกิเิตอย่างหยาบ นี่ท่านว่าศีนไปนเคื่อกับจัดกิเลสอย่างยากหมายความว่าไงหมายความว่าทุกขเวทนาเป็นของอยากเมื่อเราปรับให้มันที่ว่าวันก่อนปรับทุกขเวทนาที่มันเจ็บปวดมากๆให้กลับมาปกติศีลมันก็เกิดละศีนทางกายนะแต่ถ้าไปศนีนทางจิตถ้ามันมีความคิดมีอารมณ์อะไรที่รุนแรงเราเข้าไปตามดูความคิดอารมณ์นั้นจนอารมณ์นั้นดับจิตกลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งสีทางจิตก็เกิดละที่ว่าศีลกับจัดกิเลสอย่างหยากหมายถึงว่า ถ้าทางกายหมายถึงว่าเวทนามันเข้มมันปวดมันเมื่อยมันหนักถ้าเราแช่อยู่ตรงนั้นกระแสนีว่าเราผิดศีละเพราะอะไรเพราะมันไปกินอะไอย่างหยาบทางกายนะมันไม่ใช่กิเลสแต่เป็นอาการทางกายเราเข้าไปแก้ถ้าสมมุติไปไม่เข้าไปแก้ไอ้ตัวความรู้สึกหนักน่วงเจ็บปวดทางกายเนี่ยมันจะไปสร้างมันจะไปสร้างความเจ็บปวดทางจิต ตรงนี้ก็ทําให้จิตอยาบเราก็ตามไปดูอาการของความไม่สบายใจหยาบหยาบนั้นให้หายไปสีก็ปรากฏแต่ถ้าอาการความคิดหยาบๆยังอยู่โดยที่เรายังไม่เข้าไปจัดการเพราะเรายังมีสติสัมยะไม่เข้าไปจัดการตัวนั้นมันก็ผิดศีลภายในละคือรูปอารมณ์ตรงนี้เองเรวันนามารูปนะซึ่ง เราก็จําเป็นใช้ภาษาของเขามันไม่มีภาษาอื่นนะความรู้สึกหยาบหมายความรู้สึกที่มันหนักความรู้สึกอย่างกลางหมายถึงความรู้สึกที่พอทนได้ความรู้สึกอย่างละเอียดหมายถึงความรู้สึกสิสสบายเลีกสึกเวทนาเพราะฉะนั้่านบอกก็สอดคล้องว่าสมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลางนะสมาธิกาจัดอย่างเกลี่ยอย่างกลางคือหมายถึงว่าความทุกข์ที่เรา พอทนได้เนี่ยถ้าเราไปตั้งใจดูมันเนี่ยมันสามารถกําจัดกิเลสถ้าเป็นความคิดอย่างกลางคือความไม่สบายใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเข้าไปกําหนดรู้ดูความไม่สบายใจนั้นถ้ามันดับลงได้จิตเราก็เป็นสมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลางแต่ถ้าเป็นอาการทางกายความรู้สึกอย่างกลางคือพอทนได้เราเข้าไปตามรู้นั้นอันนี้สมาธิเกิดเบื้องต้นสมาธิทางกายเกิดละ นะแล้วก็ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดก็หมายถึงว่าความรู้สึกที่มันละเอียดคือความรู้สึกที่มันสบายเนี่ยถ้าเราเข้าไปแก้ไขมันได้ไม่ให้มันสบายเกินกว่า น, นี้ปรับความสบายมาเป็นแบบไม่ไม่สบายอีกหน่อยตรงนี้เป็นปัญญาเลยนะนั้นศีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบต้องหมายถึงอาการทางกายไปก่อนเพื่อจะสื่ออาการทางจิต สมาธิเป็นกับัตกิเลสอย่างกลางหมายถึงว่ามันไปนปรับความรู้สึกที่พอทนได้เนี่ยมาให้มันเข้มกว่านั้นนะแล้วก็บัญญากําจัดกิเลสอย่างละเอียดหมายถึงความรู้สึกสบายแต่เราไม่ไปเสพการที่เราไม่ไปเสพความรู้สึกสบายนั้นเป็นปัญญานะเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราไปเสพปับ๊บมันก็จะกลายเป็นนามรูปนะก็ให้เกิด ตัว ต, ต่างๆที่เราว่ามาโสมันนั่เป็นนันทิเป็นอภิชาเป็นร า, าคะเป็นกา ร, รวาฉันท่าไปที่ที่เราว่ามาเมื่อวานมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปตามรู้มันได้เนี่ยปัญญามันเกิดมันก็ไปตัดรากตัด ต, ต้นเพราะเราไม่ไปเสมไม่ไปยินดีในความไม่สบายความสบายกายอ น, นั้นเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยมาถึงบอกว่าบางทีท่านก็คือพูดไปตาม ตามลำดับอะแต่ว่าท่านไม่มีเวลาที่จะมาลงลึกในรายละเอียดแต่ในฐานะเราเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเราต้องลงไปในรายละเอียดเพื่อ น, นําไปสู่การปฏิบัติให้ได้แต่เพียงแต่คขาพูดเป็นบระยัดเนมันเหมือนเหมือ น, นกับไอ้อะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมาแกะมาแก้มาไขเหมือนผลไม้โยนเอา้มามะพร้าให้ลูกหนึ่งเนี่ยนะท่านก็ให้มาเสร็จแล้วในฐานะที่เคยกินมะพร้าวเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมือไม่จัดการได้กินได้ไหมมันก็ไม่ได้ นะบัญญัติมันเหมือนกับของสําเร็จลูกอันหนึ่งผลไม้ลูกหนึ่งนะแต่ปรามัตดหมายถึงว่าเราจะต้องเอาบัญญัติมาตีแล้วนําไปสู่การกระทำเรียกว่าปรามัตดแต่การที่เราจํามาเป็นดุนเป็นก้อนเป็นคำเนะี่ยมันเป็นสมมุติแล้วอะตัวสมมุติอะมาขยายเพื่อไปสู่การกระทําสําเร็จเรียกว่าเป็นปรามัตดนั้นเองนะทีนี้อีกอันหนึ่งท่านบอกว่าปฏิบัติไปแล้วเนะี่ยอารมณ์ ารูปนามอารมณ์รูปนามที่ว่ามี3ระดับเนี่ยอารมณ์รูปนามระดับกายรูปธาตุอารมณ์รูปนามระดับรูปขันคือนามารูปที่ในใจถ้าไปดูรูปอันนั้นก็เป็นอารมณ์รูปนามอยู่นะแล้วก็รูปในส่วนที่เป็นรูปของความรู้สึก เนะย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งตึงเนี่ยก็เป็นรูปอยู่แต่เราก็จะต้องเข้าใจรูปเหล่านี้เพื่อที่จะจับอาการเหล่านี้ได้ว่าเอออันนี้เป็นความรู้สึกทางกายนะเกี่ยวข้องโดยรูปแล้วเราก็มีตัวจัดการตัวจัดการมันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกทางกายสัมผัสไม่ได้แต่มันเป็นปรมามัดเช่นเวลามันปวดไอตัวรู้สึกเข้าไปจัดการปวดให้มันคลายเนี่ยเราเรียกตัวอะไรเราเรียกตัวนาม นามเรืองนี้จะใช้ชื่อมันว่าเป็นสติก็ได้สมาธิก็ได้ปัญญาก็ได้คําเหล่านี้เป็นชื่อของเป็นนามศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นชื่อของนามคือตัวรู้นั่นเองนะเรากา็พัฒนาตัวรู้นี้ขึ้นม า, าตัวรู้นี้เป็นตัวจัดการเลยนะตัวจัดการเช่นว่าร่างกายมันหนักก็จัดการให้มันเบาแต่ถ้าคนไม่มีสติจัดการได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่รู้ แต่มันจัดการได้ประเภทที่จัดการแบบสัญชตาตญาณคือมันหนักนั้นก็พลิกไปทา ง, งนี้เท่านั้นเองถามว่าอาการหนักนั้นหายหายแต่ได้องค์ความรู้ไหมไม่ได้เพราะไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าพลิกเปลี่ยนไปโดยสัญชตาตญาณลักษณะนี้ก็การตัวรู้ตัวนี้จึงไม่ชื่อว่าเป็นรู้ที่เป็นนามเป็นรู้โดยสัญชตาตญาณรู้โดยความไม่รู้เรียกว่าอาวิชานะทุกคน ก็สามารถทําได้ความรู้สึกวิชานั่งนนานก็ลุกกอขึ้นไปมันไม่พอใจเรื่องนี้ฉันก็ไปหาเรื่องอื่นที่พอใจอะไรทำนองเนั้นมันเป็นการออกจากทุกข์ด้วยความไม่รู้มันก็สร้างความไม่รู้ต่อไปสังสมความไม่รู้ต่อดังนั้นณวันนี้เนี่ยเรามาปฏิบัติเพื่อจะสร้างตัวรู้ตัวเนี้ยคือมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่มีกําลังเราจะบอกว่าสร้างก็ไม่ถูกความรู้สึกอย่างเนี้ยมันไม่มีกําลังเรียกว่าเป็นมันเป็นเพียงสรรชาติยาน นะแต่พอเรานำมาพัฒนาให้เกิดกําลังขึ้นมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนล่างไปเห <c oughs> มือนกับเมื่อก่อนเป็นไข่ใช่ไหมสัญเซติยานสมบูรณเป็นไข่ก็เป็นอาหารอีกแบบหนึง่งแต่พอต่อมาเราบอกอไก่น่กินไข่น่กินแล้วกกินหมดนะเราอยางจะทําให้มีไข่กินก็นําไข่เนี่ย ไ, ไปฟักหาไปฟักพอฟักเอาเป็นไก่ มันเป็นตัวรู้ตัวใหม่แล้วเดี๋ยตัวรู้ตัวเก่ามันก็คือตัวไข um ่พอนําไปฟักมันเป็นตัวรู้ตัวใหม่ขึ้นมาคือตัวรู้ที่เป็นศีลสมณิปัญญาและ are, แตัวรู้ตัวนี้จะมีชีวิตชีวาแต่ตัวรู้ที่มันสัญชาตญาณเหมือนไข่มันพอจะเป็นอาหารของกิเลสเท่านั้นเองนะแต่พอเรามาเจริญสติเนี่ยมาฟูมฟักมาโกะตัวรู้เนี่ยให้นานๆมันก็เปลี่ยนค่าตัวรู้ที่เป็นสัญชาตญาณเนี่ยให้เป็นตัวรู้ที่เป็นปัญญายาเหมือนฟักไข่ให้เป็นไก่ เ, เพราะฉะนั้นพอเรารู้เป้าหมายอย่างนี้เราก็จะทําได้ดีนะเราก็ตั้งใจทําได้ดีเหมือนกับแม่ไก่มันตั้งใจกกไข่มันก็ไข่มีกี่ลูกมันก็โขออกมาได้หมดแต่แม่ไก่บางตัวมันเกเรมันไม่ตั้งใจหิวหน่อยมันก็โดดหนีรู้สึกไม่อยากหนักมันก็อยากไปหนักไม่อยากเบาก็อยากไปเบาตรงนี้นะลูกต่างลิขีต่างเล่นไปอย่างนั้ น, นก็เลยทําให้ กระโดดเข้ากระโดดออกนั่งปฏิบัติเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ลุกแล้วก็หนีมันก็ไม่มันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนตัวรู้สัญชตาตญาณให้เป็นปัญญาญาณได้เพราะมันไม่ทนพอบางคนถ้าไปเก็บอารม์ก็เป็นนอนหลับเส้ยอย่างเงี้ยนะเอาไข่ไปคกุกก็ไม่พอมไม่ไม่กุกไข่แล้วไข่ก็เน่าแล้วทีนี้นะซึ่งอันเนี้ยเราก็ไปเก็บอารมณ์เพื่ออะไรเพื่อที่จะไปดูแลตัวรู้ที่เป็นสัญชตาตญาณให้มันเปลี่ยนเป็นปัญญาญาณเท่านั้นเอง ถามสบายไหมแล้วมันก็ไม่สบายหรอกแม่ไก่เนี่ยว่เวลามันกบไข่กูอยากลูกมันออกหมดนะมันผอมเหลือแต่กระดูกใช่อห ม, อมเหมือนกันอนะเรามาปฏิบัติเราไม่ใช่มาเอาความสบายนะแต่เรามาบําเพ็ญตบะมาบําเพ็ญอาตาปีมันก็จะไม่สบายหนักก็ทนเอาง่วงก็ทนเอาเบื่อก็ทนเอาเซึ่งก็ทนเอามาขี้เหยียดก็ทนเอา มันต้องทนนะลักษณะนี้นก็เกิดขัด อ, อกขัดใจขัดอารมณ์ใช่ไหมเราอยู่ที่บ้านเราไม่เรื่องทนอยากจะทําำก็ทําอยากจะนั่งก็นั่งอยากจะนอนก็นอนอยากจะกินก็กินอยากจะเที่ยวก็เที่ยวแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยเราต้องการที่จะมาแปลงไอ้ตัวสัญชตาตญาณตามอย่างนี่มันเป็นตัวรู้เท่าเองความหมายเนี่ยแต่ถ้าเรามาแล้วเราไม่อไม่ทนอยากจะทําอยากจะไปไหนก็ไปอย่างนี้มันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้เพราะอะไรเพราะอุดหน้าภูมิมันไม่พอ ความร้อนมันไม่พอลูกไก่เนี่ยมันไม่สามารถจะเปลี่ยนไขใ่ให้เป็นไก่ได้เพราะแม่มันโก่ไม่นานอุลูกูมมันต้องการทั้ง40องศาใช่ไหมมันอบรมอบแค่30องศา20องศามันไม่เบียดไม่ได้ละมันต้องการลิมิตว่าแค่38ถึง40องศานะลูกไก่ไข่จะเปลี่ยนเป็นลูกไก่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราเจริญสตินะี่ทั้งสามวันให้ ต่อเนื่องระดับนี้นะสี่วันห้าวันให้ต่อเนื่องระดับนี้เ็ดวันให้ต่อเนื่องระดับนี้นะจิตเขจาจริงจะพลิกได้พลิกจากความรู้โดยไม่รู้จักยั้งคิดเนี่ยให้เป็นความรู้ที่ถูกยั้งคิดขึ้นมาได้หรือบางทียั้งคิดแต่เรื่องง่ายๆแต่เรื่องยากๆยังย้งคิดไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วจิตเราไม่เปลี่ยนดังนั้นเราก็เลยมาฝึกโดยการม า, านั่งอยู่นานๆเดินานานๆเพื่อจะเห็นทุกต่อเนื่องไป การที่เรามีทุกข์ทางกายมีทุกข์ทางใจแล้วเราเฝ้าดูตัวนั้นคือเปลี่ยนค่าละการเฝ้าดูตามปกติเวลาเวลามีความไม่สบายทางกายทางจิตเราก็หาทางทำอย่างอื่นไปใช่ไเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นโดยที่ไม่มีเวลาที่มาเฝ้าดูมันก็ไม่เปลี่ยนสามารถจะเปลี่ยนค่าได้ไอ้ดวเฝ้าดูนั่นคืออุณหภูมิเหมือนแม่ไข่มันก่ไข่ นะพยัญชนะก็ทนเฝ้าดูงี้แหละมันเบื่อก็เฝ้าดูความเบื่อต่อไปเป็นยังไงนะมันหายหรือไม่หายมันคิดก็เฝ้าดูความคิดต่อไปไม่ได้ไปทําอะไรนะไปเก็บอารมณ์ในห้องคือไปเฝ้าดูอาการที่มันเป็นไม่ใช่ไปเป็นนอนไปขี้เหยียดอนนั้นแสดงว่าไม่มีไม่มีไม่มีตบะอะไรไม่มีความอดทนดงั้นคนไม่มีความอดทนไม่มีตาบะก็ยากที่จะเปลี่ยนสันสัตยานให้เป็นปัญญายานได้นะไปทําตามกิริย์ทำตามอารมณ์ปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่เปลี่ยน เขาจิตอ่อนเกินไปจิตไม่มีพลังนั้นก็ต้องไปสร้างความบันดาลใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นเองคนที่เคยสบายมานานๆในแง่ดีก็คือว่าได้เกิดเป็นเทวดาเนาะแต่ในแง่ลบก็คือไม่มีกําลังตะบะพอที่จะไปเปลี่ยนกิเลสได้เพราะขาดความอดทนเนเพราะคนติดสบายนานๆขาดความอดทนทนอะไรไม่ค่อยได้ก็เป็นอะไรหน่อยก็จะเป็นจะตาย เป็นอะไรก็วิ่งไปกินยาหรัหมออยู่อะไรคนมันทนเป็นอะไรก็เป็นเป็นเรื่องของมันมึงอยากหายก็หายเมื่อหายก็แล้วไปของนี้เขาเรียกวคนเข้มแข็งกันขี้อย่างนั้นนะตอนนั้นเองก็การมาพื้นปฏิบัติบางทีมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องยากนะแต่เรื่องเลยนีไม่เคยพอมาประบอกเข้ามันเริ่มคุ้นเคยมันก็ทําได้นะนั้นก็จึงอยากจะให้ลองศึกษาดูว่าในช่วงที่เราทําเนี่ย มีอะไรหนะักมีอะไรที่ต้องทนต้องทนมันดูแต่มันไม่ถึงกับทรมานหรอกนะเพียงแต่ทนมากกว่าเดิมหน่อยหนึ่งาตามบทิลักษณะนี้เราไม่ต้องทนเราก็ทําตามแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ลักษณะที่พอมาดูเอาทนออมันอยากจะคิดโน่นคิด น, นี่อยากจะคิดโ น, น่นคิด น, นี่อยากจะเมือ่อยมันก็จะเฝ้าดูอาการเหล่านั้นเมื่อเฝ้าดูอาการที่มันเป็น เนกาทีฟหรือเป็นนิวร์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นโพสิทีฟคือเปลี่ยนเป็นกําลังของสติในช่วงที่เฝ้าดูแล้วอาการนั้นหายไปมันไม่เปลี่ยนเรียบร้อยละเปลี่ยนกําลังของกิเลสให้เป็นกําลังของสติสมาธิปัญญามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมันเปลี่ยนนิดหนึ่งก็พิขึ้นเป็นเค่อหนุ่งก็พิขึ้นเปลี่ยนเค่อหนึ่งก็พิขึ้นจนกระทั่งมันเปลี่ยนไปมากมันก็พิกับขึ้นมาอย่างนี้เลยนะนะอันนี้หมายถึงการที่เราต้องใช้ความเพีย แต่ว่าถ้าเราใช้ไปนานๆนะใช้ความเพียรไปนานๆจนเป็นนิสัยใจรักตรงนี้มันเข้าไปถึงขั้นกำจัดกิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดไปถึงขั้นกำรังกำจัดกิเลสอาสวะหมายถึงขั้นขัดเกลาห อ, อ่อนเถอททำจะเป็นนิสัย <c oughs> เพราะฉะนั้นชีวิตของนักบวชคือมีโอกาสมากในถึงทำในระดับขัดเกลว ท่านจึงให้ไปอยู่ที่ต่างหากอยู่วัดวาอารามเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ทําอะไรตามใจตัวเองถ้าบวชเรายัางอยู่ที่บ้านเราก็ทำใจตามตัวเองเหมือนเดิมคี้เล็มันก็ลดลงไม่ได้นะฮะก็ต้องไปอยู่สถานที่อีกต่างหากเพื่อจะได้เห็นว่าชีวิตของเราจะได้เห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรได้อย่างใจมันก็เกิดความอดทนใช่หม เมื่อเกิดความอดทนจิตมันก็มีพลังเพราะจิตมีพลังเวลาไปปฏิบัติภาวนาเก็ทนได้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งทนได้ที่สุดกิเลสมันก็ยอมแพ้แต่การที่เราไม่ทนถึงที่สุดกิเลสมันก็มีโอกาสง อ, อกกลับคืนเหมือนกับนุณภูมิน่นนะเชื้อโลกนี่มันจะต้องตายด้วยนุณภูมิหนึ่งร้อองศาถ้าเล่งอุณภูมิขึ้นหึงร้อยองศาเชื้อโรค ก, ก็ตายกิเลตัวนี้มันจะต้องอุณหภูมิความเพียรถึงร้อองศาพอทำถึงร้อยองศากิเลตัวนี้ก็ตาย อันนี้กฎของธรรมชาติธรรมดานะไม่ใช่เป็นเรื่องของออคุณวิเศษอะไรมากมายแล้วแต่การที่เราทําได้นั่นเองมันเป็นคุณวิเศษเพราะคนทั่วไปมันทํายากนะดังนั้นเองเราก็โชคดีตรงที่ว่ามาได้วิธีการเคลื่อนไหวลงโพเทียนเนี่ยเพราะมีทางเลือกเยอะ เ, อเราไม่ชอบนั่งเคลื่อนไหวแบบนี้ก็นั่งเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ได้ เ, เราไม่ชอบนั่งเคลื่อนไหวแล้ยืนเคลื่อนไหวก็ได้ไม่ชอบยืนเคลื่อนไหวแล้วเดินเคลื่อนไหวก็ได้ อันนี้มันทําให้สอดคล้องกับอีซีของเราเพราะอีซีระดับเราเท่านๆเนี่ยท trees, 3, 5, 3, 4, 3, 4ุกวันเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะนั่งแช่อยู่ที่ถึงที่ได้สมชั่วโมง5ชั่วโมงได้ใช่ไหมแค่ครึ่งชั่วโมงเราก็ไม่ไหวละเพราะอีซีมันอ่อนแต่ก็มันหมายความคนอีซีอ่อนจะบรรลุทําไม่ได้ได้แต่ต้องทําให้เหมาะสมกับอีซีของเรานะมีวิธีหลายหลายวิธีดังนั้นเองในจุดนี้เราก็ต้องพยายามศึกษาเรียนรู้ แล้วอีกอันหนึ่งที่หลวงพ่อเทียนเอ่ยถึงเมื่อกี้ก็คือว่าการที่เราคิดเอาว่าบําเพ็ญสมถะไประดับหนึ่งแล้วยกอารมณ์สู่วิปัสนาท่านบอกไม่ใช่มันคนละทางกันเลยนะถ้าคุณเดินทางนี้คุณก็ไปทางนี้มันก็เหมือนอคุณจะไปยังทางรถไฟก็คือรถไฟคุณจะไปทางรถยนต์นก็คือทางรถยนต์คนละเส้นกันนะแต่ว่า ทำไมท่านจึงอนุโลมสมถกะกับวิปัสนาแต่เป็นสมถะแบบพุทธแต่สมถะแบบที่หวงพ่อพูดหเมื่อสมถะอุณรทางคือสมถะแบบพราหมณ์จะเอาพลังจิตเนี่ยมาเป็นเป็นพลังปัญญาเนี่ยบางทีมันก็ยากเพราะบำเป็นสมถะเพได้พลังจิตแต่ทําวิปัสนาต้องการพลังปัญญานะแต่ในกรณีที่ใครทําสมถะมาก่อน ก็ดีมีพลังจิตแต่ว่าต้องมาทำวิปัสนาโดยตรงไม่จะเปลี่ยนฐานสมถะเป็นวิปัสนาต้อมาทำวิปัสนาโดยตรงฐานสมถะเดิมคือจะนั่งแช่อยู่ในอีบุตรเดิมครขาขวาทับขาซ้ า, ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงสาชั่วโมง5ชั่วโมงอย่างเนี้ยแต่คุณสามารถจะต้องเปลี่ยนมาอีกฐานหนึ่งคุณตั้งท่าใดก็ได้แล้วก็คุณไม่ต้องนั่งหลับตา ถ้าคุณจะนั่งกี่ชั่วโมงเดินกี่ชั่วโมงก็ก็ได้ไม่จํากัดว่าเท่านั้นชั่วโมงนี่มันก็เปลี่ยนคุณลักษเลยนะเราก็เมื่อก่อนเนี่ยเวลาความคิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นถ้าสมถะต้องสะกดต้องบีบต้องกดให้ออกไปนี่เรีสมถะแต่พอมาเป็นวิปัสนาไม่ใช่อย่างนั้นพอวิปันสนาคือเฝ้าดูไม่ต้องไปสะกดไม่ต้องไปบีบบังคับมันเฝ้าดูอาการของมัเพราะเรารู้ว่าอาการเหล่านี้มันเป็นไปตามกฎของแต่ละ ไอ้การที่เราเฝ้าดูจนกระทั่งว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนไปนั่นเองมันกับแปลสภาพของการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาน่ะอันนี้คือวิปัสสนาต้องการการกดของไตรลักษณ์นั่นแหละดูกดของมันเนยแต่ให้เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งน่ะเปลี่ยนไปแทนที่มันจะเปลี่ยนไปกดไตรลักษณ์แทนที่จะเปลี่ยนไปนิจังทุขังหน้าตาใช่ไหมแต่ก็เปลี่ยนมาเป็น ศีลชั้นพิธัญญาเปลี่ยนมาลักษณะอย่างนี้นะเปลี่ยนเป็นศีลสันสมนพิธีปัญญาอย่างไรอันนี้ได้กล่าวไปเมื่อวานแล้วนะคงจะสื่อได้นะทางกายนะทางจิตถ้าจิตของเรามันคิดในทางอากุศลก็ถือว่าผิดปกติละแล้วก็จะเปลี่ยนมันยังไงอะ่ะเปลี่ยนให้เป็นคิดทางฝ่ายกุศลก็คือเข้าไป ไม่ใช่เปลี่ยนความคิดนะเปลี่ยนค่าของมันเปลี่ยนค่าคือหมายว่าพอเราไปเฝ้าดูความคิดที่มันเป็นอกุศลเนี่ยก็เฝ้าดูนานๆเฝ้าดูนานๆพอเฝ้าดูนานๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนค่าเหมือนกับเราไปเจอเนื้อก้อนหนึ่งเนี่ยมันดิบมันกินไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เราจะโยนทิ้งเนื้อก้อนดิบ ไปหายเนื้อชิ้นใหม่มันก็ไม่ใช่ให้เปลี่ยนค่าเสไม่ต้องไปเอาไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเนื้อหรือไม่ต้องเอาเนื้อ น, นั้นทิ้งแต่ถ้าใช้เนื้อก็อเดิมแหะแต่เปลี่ยนค่าจากดิบมาเป็นสุกอ่าอันนี้เหมือนกันตัวความคิดและอารมณ์ที่มันเป็นอากัศรนเนี่ยมันเป็นความคิดแบบดิบๆเราก็ใช้อุณหภูมิแห่งสติสมรยะที่เราบำเพ็ญเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนค่ามาเป็นสุกก็คือมันเป็นตัวรู้ซะ ตัวรู้นี่เองมันก็มาเป็นตัวตัวปรมามัดคือเป็นศีลสมิธปัญญาได้ละนี่คือลักษณะการเปลี่ยนนะดังนั้นเองสหรับคนใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือยังไม่มีความเข้าใจอะไรเพียงพอเนี่ย mm. ก็ต้องใช้วิธีทนทาและทําทนไปก่อนคือใช้คันติความอดทนไปก่อนแล้วเมื่อทาไปให้มันถูกจังหวะถูกความ เข้มแข็งเพียงพอเนี่ยนะมันก็จะเปลี่ยนค่าเหมือนกันแต่ว่าต้องทำให้ถูกมีการยนานมิตรนะสมัยหนึ่งที่มาได้กล่าวเรื่องนี้บ่อยๆว่าได้ยินคำโบราณว่าเอาไมคุณอยากจะมีไฟโดยไม่มีไม่ขีดเนี่ยคุณก็ไม่ไผ่ไมาสีกันมันก็ได้ไฟก็ได้กินมาแค่นี้ใช่ไหมเ้าก็ไปนั่งทำเอ้ไปนั่งทาทั้งวันไม่เห็นมันมีไฟเลย ไฟไม่มีเอาไม้ไผ่มาถูกันนะ่ะมันก็มีความร้อนอยู่ได้ทํำไมไม่เป็นไฟอะ่ะเราบอกโบราณหลอกเด็กอะไรน่องนี่เราก็ไม่เชื่อมันจะเป็นไปได้วันหนึ่งมาเจอการยานมิตรอย่างหลวงพ่อบุญธรรมเมือเล่าให้รท่านหลวงพ่อโบราณเขาบอกว่าเอาไม้ไผ่มาสีกันมาเกิดเป็นไฟผมทำแล้วไม่เห็นมันมีนะอ้าวท่านทํำยังไงทำอย่างนโอ้ก็ ท, ำทำําสังปีมก็ไม่มีแบบนี้ทําไม่ถูกว่างนั้นนะอ้าวทาถูกทำยังไงหลวงพ่อ ท่านก็ไม่ไผ่มาผ่าแล้วมาทําให้ดูสักสองสมนาทไฟก็เกิดแล้วแล้วท่านทำดูนี่ะเราก็ทำโอ้ก็เกิดเพราะฉะนั้นอันนี้คือประโยชน์ของกัลยาณมิตรคือบอกวิธีการที่ถูกให้เราแล้วก็สอนให้เราทําถูกด้วยนี่คือกัยนยาณมิตรคกูบาอาจารย์ถ้าเราไม่เจอกัลยมิตรอย่างที่ว่านะเราก็ตัดสินเอาเองว่าเ อ, อืมไม่ใช่หรอกทั้งท่านที่เรายังไม่ได้พิสูจน์ถึงที่สุดนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราสงสัยทําไม่ได้เราก็จะเพิ่งตัดสินว่ามันไม่ใช่ เราต้อไปหาคนที่เขารู้เรื่องนี้มากกว่าเราทําให้ดูนะอันนี้คือวิธีว่าเราได้ยินคําสอนว่าเออทำนี้มันจะเปลี่ยนค่าศีลเปลี่ยนค่าอั น, นิีจังให้เป็นศีลนะเปลี่ยนค่าสมาธิให้เป็นอนะ่ า, าเป็นปค่าทุกข์ให้เป็นสมาธินะเปลี่ยนค่าอนัตตาให้เป็นปัญญาได้นะแล้วก็ฟังมาแค่นี้เราก็พยายามทำเองคิดเองเปลี่ยนเองเนี่ยคิดเท่าไหร่เปลยนเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ถูกวิธีใช่ไหม เพราไม่ถูกวิธีเราก็หาครูบาอาจารย์ที่เขาทําเป็นไอตอนแรกครูอาจารย์ท่านก็ทําไปเงี้ยท่านก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละก็ทําไปพราะทำไปด้วยด้วยความว่าบังเอิญมันจะเป็นมันถูกเมันกันแต่ถูกทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้ว่ามันถูกใช่ไหมมันก็เป็น อ, องค์ความรู้ที่เป็นไปโดยที่เราไม่รู้แต่พอเรามาทําการวิเคราะห์วิจัยมันเป็นไปได้อย่างไรเราเปลี่ยนเมื่อก่อนเราเป็นคนนี่ใช ไม่ดีเล่าร้อนบุญวายจับจดเห็นแกตัวแต่วระเดี๋ยวนี้ทำไมมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนอย่างไรใช่ไหมมันก็เริ่มมาวิเคราะห์อาการที่มาวิเคราะห์เองนี่เขาเรียกว่าเป็นการกับจัดขัดเกลาทําทวิจัยขึ้นมาเด็กเป็นท ร, รมวิจัยขึ้นมาอ๋อมันเปลี่ยนอย่างนี้เองอย่างที่ได้กล่าวแล้วนะสะีนิจม่เป็นเป็นทุกขสุขเวทนามันเปลี่ยนอย่างนี้ สุขเวทนาถ้าหากว่าเราไม่มีสติปัญญาเข้าไปตามรู้สุขเวทนาก็กลายเป็นตัวความพอใจเป็นโสมนัสเวทนาเมื่อเป็นความพอใจถูกใจแล้วเราก็ยังไม่มีสติปัญญาเข้าไปแก้ไอ้ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวติดใจคืออภิชาพอติดใจเราก็ยังไม่เกิดสติปัญญาเข้าไปตามรู้อีกอภิชาก็เปลี่ยนเป็นนันทิคือความเพลิดเพลินจเจริญใจ ควาเพลิดเพลินใจเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีสตีสำเนายไปรู้อีกมันก็เปลี่ยนเป็นราคะนันที่ราคะเปลี่ยนเป็นเดชหาไปตามลาดับนี่สาเหตุของมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามกฎของอนิจจังแต่พอเรามาได้ยินได้ฟังมาศึกษาปฏิบัติมันเปลี่ยนว่าอนิจจังเปลี่ยนเป็นสุขเขาวเวทนารทำให้เรารู้สึกสบายเวลาเปลี่ยนท่าเป็นที่รู้สึกสบายสุขเวทนาปรากฏ แล้วเอาสติไปตามรู้เราจะเริญสติสติไปตามรู้สุขเวทนาะสุขเวทน า, าก็กลายเป็นศีลแทนที่จะกลายเป็นโสมสนะัสเวทนาใช่ไหมทำไมเป็นศีลนะเพราะว่าปกติขาเนี่ยมันไม่ปวดเนี่ยใช่ไหมพอเปลี่ยนแล้วมันหายปวดแล้วแสดงว่ากลับมาปกติอีกครั้งหนึงมันก็เห็นศีลทางกายก่อนปกติทางกายนะหอศีลทางกายอาจิตเข้ามาตามปูติมันมีความคิดรบกวนตอนนี้มันมีความคิดรบกวนแล้ก็ไปตามดูเอาสติสติไปตามดูความคิดปั๊บ มันก็หายความคิดก็หายไปเหลือแต่จิตเล้วนอนล้นอ๋อมันก็เปลี่ยนเป็นศีลทางใจนะอย่างเนี้ยมันก็เปลี่ยนค่ากันไปเราก็เรียนรู้ไปจากรูปก่อนนะเพื่อที่จะไปเห็นนามอ๋อนเะพรานามมันเป็นของละเอียดนะนี่คือเรียกว่าลักษณะการเรียนรู้รูปนา ม, มนคือรูปไปตามลำดับอย่างนี้แล้วในกรณีอย่างอื่นๆเมื่อเรามีองค์ความรู้ทักษะบอริพภบ ในกรณีอื่นแล้วก็พอจะคําทางของเราเองได้ละเพราะว่าเรามาปฏิบัติเข้ามาในช่วงคอร์สใช่ไหมกลับไปบ้านเราก็ไปทเองไอ้ไปทําเองเนี่ยหมายความว่าเราได้สูตรมันไปละสูตรมาหนึ่งบวกหนึ่งเป็น2ก็ต้องทำอย่างนี้นะนน 4, แล้วก็ไปหาไอ้สองบกสเป็นสี่ได้ไงเราเฮ้บวกไปรูปเอาเองละเพราะมได้หลักการละเช่นเดียวกันเรามาเข้าคอร์สทั้งหนึ่งเราก็จะมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆถ้าเราไม่หยุดในการปฏิบัติเราก็อาศัยสูตรเนี้ไป พอไปในระในระดับสูงละเอียดขึ้นไปเราชักงงเอ๊ะมันเปลี่ยนไม่ถูกละกลับมาใหม่มาเข้ารอบที่สองความก้าวหน้าก็ขึ้นเกิดขึ้ น, นระดับหนึ่งอ่ามันก็ไปจับสูตรเปลี่ยนค่าใหม่ไปถึงระดับสูงก็เอางงอีแล้กวกามาเข้าดีทีหลายๆครั้งมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่มาเข้าดีที่ขั้งใดก็เท่าเดิมอันนี้แสดงว่าไม่ได้นําไปปฏิบัติไม่ได้นำไป ไ, ไ, ำไปวิสูตรนะฮะ <c oughs> มันก็เลยไปสามารถเปลี่ยนค่าของ กิเลให้เป็นตัวปัญญาได้นะดังนั้นก็ยังจะจะบอกว่าเราเกิดมาชาตินี้แล้วถือว่าโชคดีที่สุดอย่าปล่อยให้การเกิดของเรามาเป็นหมันโดยไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะถ้าหากว่าเราเกิดมาเป็นร่างของมนุษย์ซึ่งมีเขาเรียกอะไรเป็นพัฒนาการสูงสุดของสัตว์นะตทั้งหลายเนี่ยในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ย มนุษย์เป็นพัฒนาการสูงสุดของของอสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยนะพวกสัตว์ทั้งหลายแค่ว่ามันก็เป็นชีวิตก็จริงแต่ว่าพูที่ภาวะทางจิตมันไม่มีมันมีวิญญาณก็จริงแต่มันเปลี่ยนเป็นญาณไม่ได้มันเปลี่ยนเป็นปัญญาไม่ได้แต่ของมนุษย์มันเปลี่ยนวิญญาณให้เป็นญาณได้เปลี่ยนเป็นปัญญาได้ด้วยหลักการอย่างที่กล่าวมานะ คือมันมีความอดทนสูงกว่าสัตว์มีความคิดมีอะไรดีกว่าสัตว์มีการตระหนักรู้เนี่ยดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณสมบัติทางจิตวุฒิภาวะในจิตสูงกว่าด้วยได้คุณสมบัติอันนี้มาแล้วเราก็ไม่น่าจะพลาดในการที่จะรู้จักเรื่องการชำระจิตให้หมดจากเชือ่อแห่งการเวียนว่ายตด้เกิดก็ด้วยการมาศึกษาเรื่องนี้ให้ดี ว่าเชื่อแห่งการวันว่าจะเกิดเหมือนคือ่ะก็คือตัวไม่รู้สึกตัวถามใดที่ยังไม่รู้สึกตัวเชื่อแห่งการวันว่าจะเกิดก็ต้องมีอยู่ล่างไปเราก็มาเปลี่ยนไปความรู้สึกตัวก็เปลี่ยนเยอะๆนะเปลี่ยนความรู้สึกตัวให้เป็นศีลเปลี่ยนความรู้สึกตัวให้เป็นสมาธิเปลี่ยนความรู้สึกตัวให้เป็นปัญญาเปลี่ยนความรู้สึกตัวเป็นวิชาเปลี่ยนความรู้สึกตัวให้เป็นแสงสว่างเป็นวิปัสสนาญาณระดับต่างๆขึ้นไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นเครื่องมือเหมือนปือน เราเปลี่ยนเหล็กได้เหล็กเหน็บมาท่อนหนึ่งใช่ไหมเปลี่ยนเป็นอะไรว่าเป็นเป็นมีดก็ได้เปลี่ยนไปเรื่อยก็ได้เปลี่ยนเป็นควานก็ได้เปลี่ยนเป็นกบไสไม้ก็ได้แล้วแต่เราต้องการรายละเอียดเหมือนกันเราได้ความรู้สึกตัวมาก้อนหนึ่งนะถ้าจะเปลี่ยนเป็นศีลสมาธิปัญญาไปได้เรื่อยๆแต่ขอให้เป็นความรู้สักก้อนที่มันถูกต้องเท่านั้นเองคือความรู้สึกตัวะดูที่ไหนเราก็เก็บสั่งสมเรื่อยๆ นะเพื่ออะไรเพื่อเราจะไปแปลค่าเป็นอาวุธทางปัญญาเพราะอาวุธทางปัญญานี่เองมันจะไปชําระขัดเกลาจิตให้สะอาดอันนี้ส่วนหนึ่งนะอุปมาัยส่วนหนึ่งส่วนที่สองอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือที่กล่าวไว้ตอนเย็นบางคนอาจจะยังจําไว้ได้หมดว่าให้เปรียบเทียบในทุกกระบนาทางกายก็ได้ทางจิตของเราเนี่ยที่มีอยู่ให้เปรียบเทียบเหมือนว่าน้า ม, มันขุ่นน้ำ ม, มันไม่สะอาด มันออกมาในรูปของอารมณ์ออกมาในรูปของเวทนาเนี่ยมันเหมือนน้าที่ขุนคลักเลยทีเดียวเหมือนน้าเจ้าพยาทีที่คนนูุเทนเนี่ยมันต้องยี่สสาสิบล้านเนี่ยมันจะมาขุดบ่อเทนไอ้น้เจะพออย่างมันก็ต้องเอาน้าเจ้าพยาเข้ามาเป็นน้ําดื่มน้ําใช้แต่น้ําเจ้าพยามันขุนคลักมันสกรปรกทำไงมันก็ต้องเข้ามาระบบกรองใช่ไหมจนกระทั่งน้ําขุนคลักให้เป็นน้ําใสสาที่กินได้ะชั้นใดก็ดี ตัวเวทนาในร่างกายของเรานะทางการทัิตโอ้มันเยอะเหลือเกินน ะ, ะคุณด้วยเวทนาเหล่านี้เวทนาเกิดจากกฎของไตรลักษณ์ทาให้สิ่งสลายย่อยสลายอะไรต่างๆก็มาทําถังกลองขึ้นมาหลายชั้นตอนแรกก็ต้องเอาน้ำมานอนเรามาลงสารส่งให้ ต, ตรรัตะกอนเพราะตัตะกอนแล้วก็เอาน้ําที่มันตัตะกอนแล้วมา ผ่านการค่าเชื้อผ่าน อ, าอะไรนะคอรินใช่ไหมจากคอรินก็มาเข้าสู่ระบบการฆ่าเชื้อตามลําดับเหมือนกันแล้วก็ทําถังกรองน้ําฝนที่ตกลงมาเราคิดว่าใสาๆแล้วนะบางทีมันก็ไม่สะอาดดมาเองทําถังกรองที่วัดหลายชั้นนบนหลังคาก็นึกว่าหลังคาไมาสา่สะอาดแล้วช่วงไหนฝนไม่ตกมีทั้งใบไม้มีทั้งขยะนกหนูปูปีนเนาะมาทํารวมทํำลัง อาฝนตกทีน้ําที่ลงไปก็ไม่สายเหมือนเดิมเราก็ ท, ทําทังกรองที่หนึ่งสสาสี่ห้าไปเรื่อยๆกระทั่งทั้งกรองหยาบทรายหยาบทรายละเอียดลงไปก็ทั้งกรองแบบทั้งที่เป็นทั้งกรองที่เป็นลูกกระสุนนะนะมีทั้งคาร์บอนมีทั้งอะไรเข้าไปเลซินเข้าไปมีทรายมีถ่านอ้าผ่านดูนะั้นยังไม่ค่อยไว้วางใจอีกใช่ไหม าต้องไปผ่านเป็นอิเล็กโทรอะไรก็นละ ว, ว่าไปของแอมบงแอมเวของออะไรนะของเกาหลีอ่ะเวหรืออามารอนอะไรต่างที่เข้าม า, าเห็นไหมมันจะต้องไปหลายชั้นเลยนะลักษณะเดียวกันอารมณ์และสิ่งแปลปรนต่างๆด้วยกฎของตรรักในในกายในใจของเรามันก็เหมือนน้ำดิบที่ผ่านเข้าไปใช่ไหมที่พอเรามาจเจริญวิปัสนา ก็ดีเจริญสมรราก็ดีนี่ก็เพื่อมาสร้างชั้นกรองให้มันถี่ขึ้นถีขึ้นถีขึ้นถี่ขึ้ น, นจนกระทั่งว่ามันใสสะอาดออกมาความจริงถ้าสมมุติว่าน้ําดิบทั้งหลายเนี่ยเราสมมุติว่าเป็นอกุศลเป็นบาปใช่ไหมพอได้ผ่านระบบกรองของศีลสเ่ปัญญามันก็เป็นกุศลเป็นบุญเป็นสิ่งที่ปรมัตจธรรมททั้งหลายจิตของเราไปอยู่ จิตของเราก็เหมือนผู้บริโภคอะนะ บ, บ, บริโภคน้ํา ạt, บริโภคเมื่อได้บริโภคน้ําสะอาดบริโภคความรู้สึกที่สะอาดจิตก็สะอาดจิตก็ปลอดภัยปลอดจากเชือ้อเชื้อก็คือกิเลสใช่ไหมจิตของเราก็ไม่แปรปวนเปลี่ยนแปลงเจ็บป่วยเหมือนที่เรากินน้ําดิบอะพอกินน้ําดิบเข้าไปมีเชือ้อโงว่ากัร่างกายของเราแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเจ็บป่วยจิตของเราเมื่อกินน้ํากินอะโณ์ที่ไม่สะอาดเข้าไปโลโก้หลงราคาโทสะโมหะเข้าไปมันเป็นเชื้อจิตของเราก็เจ็บป่วยไม่สบาย บางทีงเราเจ็บป่วยมันก็เกิดราคาโทสะโมหะก็มาทําร้ายตัวเองเราก็เกิดราคาโทสะเราก็ตกเป็นธาตุรับใช้ของวัตถุทั้งหลายในโลกนี้อีกใช่ไหมเกิดมาทั้งชีวิตเราไปรับใช้คนเพื่อเลี้ยงลูกให้มันโตเคียงกี่คนเราทั้งหมดไปทั้งชาติเลยะชาตินั้นโอ้โหลงทุนขนาดนั้นเลยะชีวิตนี้มันไปเสริอขนาดน้นเราไปเลี้ยงลูกให้จบคนหนึ่งเลี้ยงสามีเลี้ยงภรรยาคนหนึ่งจบแล้วก็ตายกันพอดี ไปแ ว, ไปวะไปแต่เกิดกันต่อยอีกใช่ไหมเราแน่ใจว่าจะได้กลับมาเกิดใหม่เมื่อไหร่ได้เกิดมาเป็นพุทธหรือเปล่าเกิดมาพบพระพุทธเจ้าหรือเปล่าสเสี่ยงมากเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่รู้เรื่องนี้พบต้องหาทางออกแหละเพราะฉะนั้นโยมบางคนที่ไปแต่งงานกับคนไม่ถูกใจคนที่ไม่ดีเนี่ยให้ถือว่าโชคดีนะเพราะอ้อาวเขาคิดเอ้ใช่เขาจะทําให้เราทุก เพราะเราทุกเราจะเห็นทุกเราเราจะเบื่อแล้วเราจะหาทางแต่คนที่ได้สามีดีคนดีมากๆนี่โชคไม่ดีนะเพราะอะไรเพราะเราจะต้องรับผิดช อ, อบเขาตลอดชีวิตใช่ไหม เ, เวลาเราจะออกมาเนี่ยเขาจะถามว่าฉันผิดอะไรอะ่ะทําไมคุณอในแม่เราก็ไม่กล้าเราจะไ่มในฐานะเราก็เป็นคนดียังไม่ชี้ในโช่วงดีพเพราอะอะเพราะฐานสามีทําให้ทุกเอามาบวชแสดงให้เศรษฐีท เรามองมุมกลับนะีมาว่ามันจะทําให้ได้ถ้าคุณได้สามีที่ไม่ดีเกเรแล้วให้ดีใจไปเลยเอเดี๋ยวคุณจะได้ออกไปบนแน่เลยเพราะน <c oughs> ัน <c oughs> ้นเองเรื่องเนี้มาว่ามันไม่มีอะไรร้ายไม่มีอะไรดีอยู่ขึ้นมุมมองของเราใช่ไหมอยู่กับขึ้นกับสมาธิิของเราอ่ะเพราะในพุทธศาสนาท่านยิ่งเอาเรื่องสมาธิขึ้นเป็นเรื่องแรกเลยไงแล้วแต่เราจะมองเรามองให้ดีก็ได้มองให้ร้ายก็ได้อยู่ที่ว่าเราฝึก ดังนั้นเองเบื้องต้นให้ให้ท่านบอกให้เปลี่ยนทิฏฐิให้ได้ถ้าคุณเปลี่ยนทิฏฐิไม่ได้มันก็ยากในการที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสักยัตทิฏฐิให้เป็นสมัททิฏฐิสักยทิฏฐิคืออะไรสําคัญตัวเองว่าเป็นคนเป็นนี้ใช่ไหมสมมว่าเราเป็นหญิงสมมว่าเราเป็นชายสมมติเราเป็นพระเป็นเนนเป็นเท็นเป็นชีเป็นลวงปู่ลวงตาเป็นพระครูเจ้าคุณที่เขาสมมุติมาให้เนี่ยว่าเป็นเราหมดเลย ใครจะมาว่าเราชีชนี้ไม่ดีนีไม่ได้ขึ้นเลยใช่ไหมอ๋อพระองค์นี้ทูศีนี่ก็ขึ้นเลยเนะี่ยอ้อยงคนนี้ไปติดยาไปค้ายามาอ๋ยอยงคนนี้เป็นไปทําอาญา ก, กรรมไปฆ่าคนมาอย่างนี้ทั้งที่เราไม่ได้ทำใช่ไหมอ่าเราก็เป็นสักยะทิฏฐิเราขึ้นพึ่มเลยใช่ไหมเรามีเรื่องมีราวละนี่คือเรื่อสักยะทิฏฐิอ่ดังนั้นเรื่องนี้สําคัญนะถ้าหากว่าเราไม่เจริญสติสมาธิปัญญาแล้วจะอะไรไปเปลี่ยนล่ะ ไม่สามารถที่เปลี่ยนได้เพราะนั้นเปลี่ยนสักิรยัติความสําคัญผิดเนี่ยให้เห็นว่าร่างกายสังขารนี้มันเป็นอะไรมามันไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่เป็นเราเป็นเขาไม่ใช่เป็นพ่อครูเจ้าคุณพระเทนินชีทหารตํารวจนะมันเป็นอะไรอ่าเป็นเป็นธาตุสีขันธห้าอ่าเป็นธาตุสีันธเป็นรูปเป็นนามแต่ที่เขาบอกใส่เนี่ยเขาเป็นสมมุติเท่านั้นเองอ่าเป็นสมมุติ ถ้าหากว่าเราปฏิบัติก็เพื่อที่ะเวลาจะใช้เนี่ยถอยสมมุติไว้ก่อนนอะสมมุติมันก็เปลือกผลไม้อะใช่ไหมเวลาคุณจะกินคุณกินทั้งเปลือกได้ไหมเราสมมุตินี่เวลาเขาไปวางขายเท่านั้นแหละแต่เราจะกินเนี่ยมันกินทั้งหมดไว้ได้หรือเราเหมือนกันนะที่เราเป็นสมมติเพื่ออยู่ในสังคมมันเอาของมาวางขายเมื่อไหรที่เราจะใช้มันน่ยเราก็ต้องมาแกะในเนื้อมันก็คือเอาสัมมาทิฏฐิมาใช้ อยู่ในโลกก็ใช้ทิฏฐิแบบนั้นไปตามหน้าที่นะเขาว่าเป็นพระก็เป็นพระก็ขเขาไปแต่ว่าเขามาด่าพระก็ยิไปโรกโรธถ้าโกรธนี่แสดงว่าเรากินทั้งเปลือกทั้งเนื้อเข้าไปแล้วใช่ไหมเร า, ากินแต่เปลือกบางทีไม่มีเนื้อเลยเนะี่ยก็มีหลวงพ่ออะไรนะัน่นหลวงพ่อดีใช่ไหมที่เขาว่าเล่ากันเพราะว่าเด็กข้างบ้านลูกสาวขอเด็กข้างบ้านไปติดได้หนุ่มไปเสียในเสียตัวมี ลูกมีเต้าขึ้นมาเนี่ยทีนี้ไอเด็กผู้หญิงบอกว่าจะไอมับอกว่าเสียตัวกับเด็กคนนั้นที่เนี่ยมันก็กลัวพ่อแม่มันตีมันฆ่าเนาะก็าบอกเสียตัวกับพระหลวงตาในวัดหลวงตาในวัดก็เป้าหมายก็เปลี่ยนทันทีเลยใช่ไหมทันทีเน่ยเพาพ่อแม่ก็เป็นด่าพระใช้ไม่มีนะที่พระในพระในวัดท่านท่านเป็นสมาธิฐิแล้วนะ เขาว่าอย่างั้นกเ็เลยโยมเขาใช่ในแกนี่แหละพยายามรู้สึกเขาไหวงั้นกเ็เลยเออเออมันเป็นอะไรงั้นเอาลูกมาใช้เชลี้ยงเก็ <c oughs> อุ้มลูกไปให้พระเลี้ยงอีหนูคนนั้นมันก็สำนึกบาปัวันหนึ่งใช่ไหมโอ้โ ห, หเราทําบาปก็ลงตาแล้วไปสารภาพผิดกับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็โอ้โหแต่งขันห้าคันแปดมาขอเอาขาว่ากันอย่างนั้นเลยโยมอย่อางนั้นอลูกกลับคืนไป <c oughs> หลวงตาแทบจะอดข้าวอ่ะหลายหลาหล า, หลายปีหลายเดือนที่เลี้ยงลูกเขาอ่ะไม่มีใครเสีบานเลยนะต้องไปหาอาพี่นอ้อมาดูเลยเห็นไหมนี่สกยัติทิฏฐิมันเป็นพิษอย่างงั้นนะแต่คนนี้หลวงตาท่านเป็นสมมาทิฏฐิใช่ไหมท่านก็ไม่สําคัญว่าเขาว่าอะไรนะคือเรื่องของสังคมภายนอกไปถือเป็นประมาณไม่ได้แต่ประการสําคัญเราต้องเช็คตัวเองให้ชัดเจนว่าเราจริงอย่างที่เขาพูดมา ถ้าจริงอย่างขี้เขาพูดเขต้องรีบแก้ไขตัวเองนะถ้าไม่จริงก็แค่เพิกโกรธทําไมอ่ะเอาไม่ได้สิฉันเสียศักดิ์ศรีเสียสื่อเสียงไปโน่นเลยนะดัง <c oughs> <c oughs> นั้นเราตึงรีบปฏิบัติ <c oughs> เพราะว่าสมาธิธเนี่ยมันมันจําเป็นอย่างน้อยที่สุด น, นะถึงไม่ได้อะไรเนี่ยขอได้สมาธิธิพอใจแล้วคือสมาธิหมายความว่าได้ดวงตาถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงเป้าหมายแต่รู้ทางไป นะแต่ถ้าสมมติว่ายังเป็นสักยติไม่มีสมาธิทีเลยเนี่ยมันก็ไปเนะี่ยไม่ถูกละ่ะเพราะตาหลับอยู่ตาไม่เปิดาตามืดบอดไปตอนนั้นเองการมาปฏิบัติธรรมล้วหวังเพียงว่าเอออย่างน้อยได้สมาธิทีเปิดดวงตากลับไปบ้านออลูกพรรยาสามีดาก็ยิ้มให้เขาว่าอย่างงั้นเหรอไงนะ กลับไปบ้านโดนดาวก็ขึ้นฮุอยูไม่ไหวแล้วกยาธิธิยังมีอยู่แล้วกลับมาหลายรอบมันะกลมาหลายรอบอยู่อันนั้นก็ต้องถูกทดสอบกลับไปบ้านเขาจะว่ายังไงก็ตามละ อ, ล อ, อ่าก็ตองลองวิชาก็ระวังหลายคนกลับไปถูกลองวิชาลองเท่าไหร่ไม่ผ่านสักทีนักลับมาแล้วกลับมาอีกดังนั้นเรื่องนี้มาว่ามันจะต้องศึกษากันอย่างจริงจังแล้ว ในที่สุดนำมาเห็นความสําคัญเนาะโอ้หลวงพ่อ เ, เทียนให้ชีวิตใหม่แล้วชีวิตใหม่นี่เราคงจะไปทําทุกเหมือนเดิมไม่ได้ละเราก็จะต้องมาทําให้มันดีที่สุดเราก็เห็นเพื่อนเราทุกเนาะเห็นญาติโยมทุกเราก็อดไม่ได้ละแล้วก็ไปบอกลองทําแบบนี้ดูสิก็บอกไปบอกมามีคนรู้คนสองคนก็บอกมาเรื่อยๆในที่สุดอ๋อสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งนี้เองทุกคนต้องการปรารถนาแต่เขาไม่รู้ทางเท่านั้นเองแล้วก็มาบอกทางกันนะ เาบอกทากันแล้วบางคนก็เอาบ้างบางคนก็เอาชิงบ้างบางนคนก็ไม่จิงบ้างแล้วก็ไม่ว่ากันใช่ไหมแล้วก็หวานไปะมันเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ไม่เกิดก็เป็นอ า, อาหารของนกหนกปูปูปลาไปก็แล้วแต่นะดังนั้นอันนี้คือวิธีการที่เราจะต้องปฏิบัติแบบหลงพ่อเทียนก็คื อ, คอต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรนะดังนั้นอย่างน้อยถ้าเรามองภาพว่า กฎของอนิจจังที่ทําให้กายเราใจเป็นอย่างนี้มันเป็นกฎของธรรมชาติแต่การที่เราจะไปกินไปดื่มมันก็เหมือนที่น้ําที่เราจะต้องไปรู้จักกรองอความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับทางกายทางใจที่มันทําให้ไม่สบายเนี่ยมันเอามาทั้งดิบๆเพราะฉะนั้นเราต้องมาสร้างระบบกรองคือมานั่งทํากันแบบนี้แหละมาสร้างระบบซีนกรองห ย, ยาบๆพวกขุนตะกอนหยาบๆก่อนอใส่ขึ้นมา มันจะไม่ถึงกระใสามากก็เอาไปกรองชั้นที่สองสมาธิหนาขึ้นหน่อยหนึ่งใช่ไหมชั้นกรองอามาไปเห็นระบบกรองของต่างประเทศเขาใช้หินผลึกหินแร่อะไรมาอัดนะเป็นก้อนใหญ่เลยนะแล้วก็ใส่ในถานชั้นบนเป็นน้ําดิบชั้นล่างเป็นน้ํากรองก็ค่อยไหลอยู่ทั้งวันนะผ่านก้อนแร่ต่างๆน้ําเป็นน้ําแร่ที่ดีมีคุณภาพต่างหๆเลย ที่เยอรมันนะเขาทำเขาขายก้อนได้เนี่ยก้อ น, นละลายแล้วยูโรเราไปซื้อมาก้อนนึงกับทั้งมันอาน้ําดิบสากัมโบข้างล่างก็เป็นน้าเปิดกล่องทานได้เลยไม่ต้องไปผ่านนั้นอันนี้ก็อันนี้เทคโนโลยีก็สูงนะชั้นใดก็ดีสมมุติเอาสินสมรริปัญญายมาลวเป็นก้อนกลอ่องก้อนเดียวกันนี่นะแล้ก็อารมณ์ต่างๆมาผ่านตรงนี้ผ่านเท่าทางทั้ง6ทางเลยใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นใจใจ มันก็ผ่านกรองเราก็ตั้งระบบศีลสมาธิปัญญาให้มันหนาแน่นทีเดียวชั้นศีลโดยชั้นหนาหนาหน่อยใช่ไหมตรวจสอบศีลตัวเองทุกวันแล้วสมาธิเป็นไงมันคงไหมตรวจสอบสมาธิทุกวันก็นาหนาเอาไว้ยิ่งหนาเท่าไหร่มันก็ยิ่งกรองได้ละเอียดใช่ไนมกรองไละเอียดมากขึ้นมันก็ทําให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นบาปอคุณส่นั้นเหมือนน้าดิบศีลสมาธิปัญญานี่เหมือนน้ําถูกกรองแล้ว มันก็น้ําเดียวกันนะใช่ไหมเพราะนั้นเราจะบอกว่าบาปไม่ดีได้ไงมันเป็นวัตถุดิบอะแต่การที่คุณกินปลาทั้งตัวที่ไม่ได้ผ่านการผ่า น, านดิมน้ําดิบนันแหละมันเป็นบาปตรงนั้นเองน ะ, ะเพราะฉะนั้นเราจะทําไงก็มาสร้างถังกรองเราจึงมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างระบบการกันกรองการกรองในระดับของไตรสิกขาก็สามชั้นวันศีลสัสมฤธิปัญญาการกรองในระดับวิปาาัสนาญาณญาณสามก็ภูเพณิวา อยููปปาแต่อาศวะขยายนการกองร ะ, ะ, ะบบร ะ, ะบบยาน16ใช่ไหมแบบหนอก็อีกแบบหนึ่งแต่ความจริงใช้ยานสาก็พอแล้วแต่ถ้ามาแยกเป็นยานสิบหกทั้นเองนะยานสามยานสาอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเขารู้เรื่องทั้งหมดที่เราไม่ต้องเอาก่อนเกิดเอาแค่เราเกิดมาถึงวันนี้ก็แล้วกันนะรู้เรื่องหมดไหมวันนี้เราคิดเรื่องอะไรว่างเดือนนี้เราคิดเรื่องอะไรว่างปีนี้เราทําอะไรบารบุญมาเท่าไหร่เนี่ย ถ้าเรารื้อได้ทั้งหมดนี่ก็เพียงพอแล้วใช่ไหมปู่เพนิวาสานุสยานไม่ต้องไปเอาก่อนเกิดหลังตายแล้วทีนี้ก็มาตามต่อมาเป็นยานที่สองก็คือไล่มาไอความคิดอดีตเหล่านี้มันมาจากไหนอะไล่ไปไล่มาอ๋อมาจากกันทําการจิตมาทําการเกิดดักแค่นี้เองเนาะเหมือนอะไรคล็อกไมชีนอะใช่ไหมมันก็หมุนแค่นี้ใช่ไหมเครื่องนาฬิกาปอกปแค่นี้ข้างใน แต่ว่าเข็มมันบอกวันเดือนปีบอกสกรารอะไรทั้งหมดเลยใช่ไหมนั่นหคือระบบของมันแต่มันทํางานอยู่แค่นี้จริงของเราเกิดดับเกิดดับแค่เนี้แต่มันบอกความประวัติอะไรทั้งหมดของความดีความชั่วที่เราผ่านมาไม่รู้กี่ล้านปีอะ่ะใช่ไหมมันมันทำงานของมันเกิดดับแค่นี้ดังนั้นเองเราก็มาเห็นอ๋อเราก็การเกิดดับที่มันเป็นเป็นอํานาจของอะไรอวิชาแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นอํานาจของวิชาใช่ การเกิดดับนั้นก็แทนที่จะแปลมาเป็นความมืดมันก็เป็นแสงสว่างอ่าอย่างเงี้ยมาแปลงการเกิดก็ใช้ระบบเดิมของมันแหละแต่เปลี่ยนโปรแกรมมันซะปพร ก, ก, ก่อนเมื่อก่อนเป็นปโปรแกรมของอวิชาใช่ไหมมันมีเวลาเยอะแยะเลยนะเราก็ใช้ไม่ได้ติดีิดเดืยวดับเราก็เปลี่ยนเป็นวิชาคือโปรแกรมของไตรสิขาเปลี่ยนโปรแกรมแต่ลักออกไปแล้วเปลี่ยนมาโปรแกรมของไตรสิขามันก็ใช้สะดวกขึ้นนะ มันก็ง่ายขึ้นดังนั้นเองเวลาเราทําความเพียรเนี่ยอย่าไปต่อรองอย่าไปขี้เกียจต้องต้องตั้งใจทําด้วยตัวเองนะไม่ต้องเห็นเพื่อนทํเราถึงได้ทาเพื่อนไปทําฉันก็ไม่ทำเหมือนกันก น, นี่ไม่ได้เพราะต้องศึกษาให้รู้ไข่รู้มันและศึกษาแล้วมันทําไม่เป็นเห็นไม่ถูกทํางมีครูบาอาจารย์บอกอแล้วก็ตั้งใจทํานะทั้นั้นช่วงเย็นวันนี้ก็ได้คุยกันในเรื่องรายละเอียดภาคปฏิบัติก็ค อ, อนโมทนาสาธุในความตั้งใจ ที่เราทั้งหลายจะได้นำไปศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความแจ่มแจ้งแล้วก็เข้าใจโดยชัดเจนสามารถบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกด้วยกันทุกคนทุกท่านเธออ่าแล้วการาบพระพร้อมกัน